เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจักเป็นคนพ้นลำบากมียากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือเสียงจากรายการธรรมะในวงเล่าผมนายทกรคนชอบเล่าวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับครั้งนี้ผมจะขอนาเสนอนิทานอันเกี่ยวกับสัตว์บ้างนะครับ สัตว์ที่ว่านี้ก็คือนกกระจอกครับเมื่อนานมาแล้วมีฝูงนกกระจอกอยู่1ฝูงฝูงนั้นมีอยู่ประมาณ 4-500 กว่าตัวทุกวันเจ้าฝูงนกกระจอกนี้ก็จะพากันบินไปหาอาหารอาหารที่ปรดปลานของฝูงนกกระจอกนี้คือรวงข้าวสาลีครับโดยการไปออกหากินในแต่ละครั้งนั้น จะมีนกกระจอกตัวใหญ่หนึ่งตัวบินนาหน้าฝูงไปเสมอครับใช่แล้วครับนกกระจอกตัวนั้นก็คือพญานกกระจอกทุ่งข้าวสาลีที่พญานกกระจอกได้พาลูกน้องไปกินกันนี้อันที่จริงแล้วมันเป็นทุ่งนาที่มีเจ้าของครับส่วนเจ้านกกระจอกนี้ก็ไม่รู้เรื่องกันเลยก็ไปลงแขกกินกันทุกวันทุกวันส่วนเจ้าของผู้เป็นชาวนาเหรอครับ ก็ได้แต่แอบมองด้วยความคับแค้นคลองใจที่หยาดเหงื่อและแรงกายของตนเองจะต้องมาถูกเจ้าพวกนกกระจอกนี้แอบกินทุกวันทุกวันจึงได้วางแผนหเห็นทีจะต้องจัดการเจ้านกกลุ่มนี้ซะแล้วเมื่อคิดได้อย่างนั้นก็มาเฝ้าสังเกตเจนนกพวกนี้นี่มันมาจากตรงไหนมันมาอย่างไงสุดท้าย เมื่อนั่งได้หนึ่งวันสองวันเขาก็สังเกตเห็นว่านกกระจอกฝูงนี้มันมีผู้นำเนี่ยซึ่งจะตัวใหญ่กว่าปกตินิดหนึ่งและที่น่าแปลกก็คือเจ้านกกระจอกตัวใหญ่นี้มักจะข้าบรวงข้าวสาลีสามรวงไว้เสมอเสมอทุกวันและบินกลับบังไปมันช่างตะกละอะไรเช่นนี้เมื่อขจจจำตำแหน่ง ที่พญานกกระจอกได้ลงมาจิกกินเป็นประจำแล้วเขาจึงกลับบ้านเตรียมทํากับดักมาจับเจ้าพญานกกระจอกตัวนี้เขาคิดในใจว่าเมื่อพญานกกระจอกโดนจับได้พวกบริวารของมันก็ต้องเพ่นหนีไปเช่นกันไม่กล้ามายุ่งกับทุ่งข้าวสาลีของเขาอีกแน่เมื่อคิดได้อย่างนั้นเขาจึงรีบกลับบ้านไปทํากับดักเพื่อมาจับพญานกกระจอกในวันรุ่งขึ้น รุ่งขึ้นวันใหม่วันนี้ก็เช่นเดิมฝูงของนกกระจอกก็ได้มาลงกินทุ่งข้าวสาลีของเขาอีกเช่นเดิมแต่วันนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือชาวนาผู้นี้ได้มีกับดักมาดักพญานกกระจอกแล้วเมื่อได้สักพักหนึ่งเห็นว่าจังหวะจะคนดีชาวนาก็กระตุกเชือกซึ่งเป็นบ่วงคล้องขาของพญานกกระจอกเข้าไว้ได้พญานกกระจอกตกใจสุดขีด บินหนีขึ้นท้องฟ้าแต่ไม่สามารถจะบินขึ้นได้ฝูงนกทั้งฝูงได้แตกหือบินกันไปคนละทิศคกละทางจ้าละวันคงเหลือไว้แต่พยานนกกระจอกซึ่งปากก็ยังคงค่ารวงข้าวสาลีสามรวงเช่นเดิมเมื่อทุกอย่างสงบลงเหลือแต่พยานกกระจอกซึ่งดิ้นทุรนทุรายอยู่ตัวเดียวชาวนาก็ได้เดินไปหาพลน พ, พูดกับนกร ก, <S <S i, รนกระจกว่าเฮ้ยเจ้านกกระจกเจ้าตะกระ มากินข้าวของข้ายังไม่พออยากจะเอากลับไปที่บ้านของเจ้ามันมียุ้งฉางหรือยังไงเจ้าถึงต้องเอาไปเป็นเสบียงอย่างนี้มากินทุกวันยังไม่หนำใจหรือพยานทุกกระจอกได้ยินจึงตอบกลับไปว่าข้าแต่ท่านข้าเองมีอาทราบได้ว่าข้าวเนี้ยมีเจ้าของข้าต้องขออภัยด้วยฝูงของข้าเองก็มิทราบเลยว่า ข้าวสาลีนี้ท่านเป็นเจ้าของโปรดอภัยให้พวกเราด้วยเถิดแค่นี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกละอายแล้วมันเหมือนกับมาแอบกินของที่ท่านอุตส่าห์ลงมือด้วยน้ำพัดกำแรงของท่านเออผมลืมบอกไปอีกครั้งนะครับว่าสมัยนั้นมนุษย์ยังพูดกับฝูงสัตว์ได้นะครับเมื่อชาวนาได้ฟังเช่นนั้นก็เลยถามกับพญานกัจอกว่าเอาเป็นว่าเจ้าลงตอบข้ามาสิ เหตุใดเจ้ามากินข้าวของข้ายังไม่พอเจ้ายังต้องคาบกลับไปอีกสามรวงเนี่ยบอกเหตุผลดีๆมานะไย่งั้นเจ้าเป็นกับแกล้มมื้อเย็นของข้าแน่ๆพยานนกกระจอกเมื่อได้ฟังจึงได้อธิบายให้ชาวนาฟังว่ารวงข้าวสามรวงที่ข้าพเจ้าเอาไปนี้หนึ่งรวงที่หนึ่งข้าพเจ้าเอาไปใช้หนี้ ข้าพเจ้าเอาไปใช้หนี้ให้กับผู้มีบุญคุณต่อข้าพเจ้านั่นก็คือพ่อแม่ของข้าพเจ้าเองที่ได้ภูมิฟักเลี้ยงดูให้ข้าพเจ้าโตมาเป็นพญานกกระจอกตัวนี้ที่ท่านเห็นส่วนลุงข้าวที่2อข้าพเจ้าเอาไปให้เขาเอาไปให้เขานี่ก็คือลูกๆของข้าที่ตัวน้อยๆกันบังน่ารักยังไม่สามารถออกบินไปหากินเองได้ และลวงที่สามข้าพเจ้าก็เอาไปแจกจ่ายนกกระจอกที่ไม่สามารถบินออกมาหากินเองได้นกกระจอกที่แก่ชราหรือเจ็บป่วยอยู่ภายในฝูงของข้าพเจ้านี่แหละเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องนำรวงข้าวสาลีกลับไปทุกวันวันละสามรวงครับเมื่อชาวนาได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็เกิดแจ้งแก่ใจอืมพญานกกระจอกตัวนี้เนี่ย เป็นพยานลกกระจกที่ไม่กระจอกซะเลยมีหลักความคิดมีการวางแผนที่ดีรู้จักบุญคุณรู้จักการบริหารจัดสรรสิ่งที่ได้มานับว่ามีปัญญาเป็นเลิศตัวเราเองหรือยังคิดไม่ออกแบบลกกระจกนี้เลยเมื่อคิดได้เช่นนั้นชาวนาจึงบอกกับลกกระจกว่าอ้า ข้ารู้สึกเลื่อมใสในความคิดของเจ้าจริงๆข้ายินดีอนุญาตให้ฝูงของเจ้ามากินข้าวสาลีของข้าได้ทุกวันเพราะถึงแม้เจ้าจะกินไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดหรอกข้าปลูกไว้เยอะจำคำข้าไว้ที่ข้าให้เจ้ากินได้ทุกวันนี้เพราะเห็นว่าเจ้าเป็นนกผู้กรตันยูนกผู้มีน้าใจ ผู้จบเขาจึงได้ปล่อยพญานกกระจอกให้บินกลับฝูงไปนับแต่นั้นมาฝูงพญานกกระจอกก็พากันมากินทุ่งข้าวสารีของเขาเป็นประจำแต่กินโดยที่มีหลักการไม่เบียดเบียนเขามากและชาวนาเองก็เป็นสุขใจมากขึ้นด้วยการเริ่มแบ่งปันจัดสรรปันส่วนสิ่งที่สร้างผลผลิตมาได้ด้วยตนเองข้าวเก็บไว้ สำหรับเลี้ยงคนในครอบครัวเลี้ยงบุตรหลานบริหารจัดการหรือจัดขายก็ให้ทานบริจาคผลผลการมีน้ำใจนี้เองจึงทำให้ชาวนาเป็นที่รักของเพื่อนบ้านต่างก็มีการแลกเปลี่ยนปันน้ำใจซึ่งกันและกันได้ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับความคิดของนกกระจอกซึ่งฟังแล้วไม่กระจอกเลยมันเอามาปรับเปลี่ยนใช้ได้กับชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับ การวางแผนจัดสรรสิ่งที่ได้มารู้จักให้ในส่วนที่เรามีและไม่ขาดเช่นเดียวกับพยานรกจอบที่ว่าหนึ่งเอาไปให้ตอบแทนผู้มีพระคุณซึ่งเป็นธรรมเนียมที่มนุษย์ทุกคนพึงจะปฏิบัติอยู่แล้วครับ 2. เอาไปให้บุตรหลานผู้เป็นดั่งแก้วตาดวงใจซึ่งเรามนุษย์ทุกคนก็พึงจะปฏิบัติเช่นเดียวกัน ส่วนการเอาไปบริจาคทานหรือเอาไปแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้มันก็คือการสร้างสเสบียงบุญย่อมย่อ ม, มนี้เองครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขจากการได้รับฟังนิทานเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ